ข้อความในอัตกถาพุทธวงศ์เนี่ยนะมาทุรัฐวิลาสีในหน้าสองร้อยท่านสุมเมศบัณดิตเนี่ยนะได้ทราบข่าวว่าการสร้างถนนเป็นการสร้างเพื่อพุทธบูชาตัวเองก็อยากจะทำบุญหลังนั้นบ้าง นี่การจะทําบุญอย่างนั้นจะทําด้วยกําลังฤทธ์ก็ได้แต่ว่าไม่เต็มใจไม่อิ่มเอิบใจไม่เป็นที่ตั้งแห่งปีติปราโมทเหมือนกับกําลังทางกายอย่างคล้ายๆกับแม่บ้านบางคนเขาบอกว่าเขาสามารถใช้ให้คนงานเนี่ยทำอาหารให้ได้แต่ก็ไม่รู้สึกว่าไม่เป็นที่พอใจเหมือนกับทําด้วยมือของตัวเองหลายท่านเขาจะคิดในลักษณะนี้ฉันใดสุเมธบัณฑิตก็คิดอย่างนั้นถ้าจะใช้ฤทธ์ก็ได้แต่ว่าใช้แรงกายดีกว่า แต่ก็เมื่อแรงกายลงทาไปมันก็ช้าก็ไม่เสร็จเนี่ยทำสถานที่ตรงนั้นเพราะว่าเขาให้ทาในที่ที่ดินมันซ้อเนี่ยถูกน้ำเนี่ยซ้อมันก็ลึกมีคโคลนมีตมทาก็ทายังไม่สําำเร็จทาค้างเอาไว้มนุษย์ชาวรํมมะนะครก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาอาหารแล้วพระเจ้าค่าคือเาถึงเวลาอาหารเขาจะนิมนต์พระผู้แเจ้า เมื่อมนุษย์เหล่านั้นกราบทูลเวลาอาหารแล้วอย่างนั้นพระทศพลนุ่งอันตรวาศ ส, สองชั้นสีเหมือนดอกฉบาพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจีวรสีออกแดงๆเนี่ย น, นะพระพุทธเจ้าจะมีผ้าที่ใช้ออกค่อนข้างแดงแต่ก็ไม่ใช่ว่าแดงแบบแดงสีเลือดไปเลยแบบนั้นอนะคือค่อนข้างแดงลคล้ายๆสีฉบางั้นสบงที่พระองค์ใช้เนี่ยประมาณ2ชั้นปิดมณฑลทั้ง3าก็คือหลุมคอแขนแล้วก็ที่แข้งอ่ะ น, นะ พระองค้าพระคดเอวสีอันมีสิริเหมือนกับสายฟ้าแลบเหนืออันตระวาสกนั้นเหมือนล้อมกลองทองคืออะไรล้อมกองดอกชบาด้วยสายสร้อยทองคือสบงเนี่ยนะสีผ้านุ่งเนี่ยเหมือนดอกชบาใช่ไหมพระคดเอวเนี่ยสีเหมือนกับทองเหมือนสายสายสร้อยทองพระองค์หอมบางสกุลจีวร อ, อันประเสริฐสีแดงเหมือนดอกทองกวาวที่ชุ่มด้วยน้ําครั่ง แสดว่าเครื่องนุ่งห่มของพระพุทธเจ้าโดยมากจะออกแดงๆสังเกตดูผ้าตาทองมันจะมีผ้าแบบชนิดแดงๆดะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าแดงสดอะไรแต่มันก็จะออกค่อนข้างแดงๆฉันใดแต่ถ้าผิวของพระองค์เนี่ยจะเป็นผิวสีทองเหมือนทองชมพูนุ่แต่เครื่องนุ่งห่มของพระองค์โดยมากออกจะออกแดงๆแันผิวของพระองค์เนี่ยประหนึ่งร่างกระออผ้าที่พระองค์นุ่งห่มนะประหนึ่งรถด้วยน้ําครั่งลงเหนือยอดภูเขาทองผ้าห่มเป็นผ้าแดง ผิวของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นทองเพราะฉะนั้นเหมือนเอาน้ําคลั่งราดไปบนภูเขาทองเหมือนกับล้อมเจดีย์ทองด้วยตาข่ายแก้วประทานเรียกว่าแก้วแดงเนี่ยนะเอาแก้วแดงเนี่ยไปล้อมเจดีย์ทองประหนึ่งสวมทอสวมของมีค่าทําด้วยทองหมายว่าทองคำเนี่ยเอาผ้ากํำพลแดงมาหุ้มเอาไว้ประหนึ่งปกปิดดวงจันทร์ในฤดูศาสด้วยพลาหกแดงหมายว่าดวงจันทร์ที่ส่องสว่างสวั เอาเมฆแดงเนี่ยมาปกคลุมเอาไว้ฉันใดาการนุ่งห่มผ้าของพระพุทธเจ้าก็เช่นนั้นก็คือนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าสีทองผิวเป็นทองผ้าที่พระองค์นุ่งห่มออกสีแดงเนี่ยนะก็นึกภาพเอากันล้กันแต่ถ้าอยากเห็นก็ทําบุญให้มากนะนะตั้งความปรารถนาอาจจะได้มีบุญตาได้เห็นในอนาคตตอนนี้ก็เห็นหลวงพ่อเมตตาเราไปกราบเนี่ยนะมาก็ชื่นใจแล้วได้เห็นหลวงพ่อเมตตาเหมือนกะัน ได้จากก็ให้พระองค์ออกเป็นผิวเป็นสีทองจะหาผ้าแดงไปหอมถวายพระองค์แล้วก็ระลึกต่างใจก็ได้เสร็จแล้วพระองค์ก็ออกจากพระขันธกุตีประหนึ่งราชสีออกจากถ้ำทองบรรย์ประทับยืนที่หน้าพระขันธกุตีขณะนั้นภิกษุทั้งหมดถือบาดจีวรของตนของตนล้อมแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุที่ยืนแวดล้อมเหล่านั้นก็ได้เป็นอย่างนั้นคือว่าดูออกเป็นสีทองไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะอยู่ใกล้กับผู้ที่มี รัศมีสีทองก็อิทธิพลของแสงนี่มันยิ่งใหญ่มากนะถ้าเราอย่างสมมติสถานที่เรานั่งฟังธรรมเนี่ยถ้าเปิดสีออกทองหมดเลยนะทุกคนจะเหมือนสีทองหมดถ้าถ้าแล้วแต่สีที่ไฟแสงไฟที่เปิดออกมาจริงๆสีทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอะไรนะจากครูวิญญาณเนี่ยที่มันเกิดขึ้นรับภาพมันอาศัยแสงสว่างนะแสงสว่างเป็นประตูปานิสยปัจจัยถ้าแสงเหล่านั้นออกสีใดผิวที่เราเห็นก็จะคล้ายๆกับสีเหล่านั้น พระพิสูุเหล่านั้นนะนะที่แวดล้อมพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรมาดูสังขานุสติย่อยๆว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มักน้อยสันโดษอ น, น, นก็คือกระวัตถุนั่นแหละเป็นผู้มักน้อยสันโดษและเป็นผู้บอกผู้กล่าวผู้สอนเรื่องมักน้อยสันโดษคือสันโดษ ด, ด้วยตัวเองด้วยแนะนำให้ผู้อื่นมักน้อยสันโดษ ด, ด้วยเป็นผู้อดทนต่อคาว่ากล่าวก็คือโสวจัสตาท่าน ดำรงอยู่ในคุณสมบัติถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเนี่ยนะยินดีรับคําแนะนำํคำคําว่าอดทนเนี่ยหมายความว่าทําใจได้ยินดีในรำยินดีในถ้อยคําตักเตือนเนี่ยนะเหมือนกับถ้อยคําตักเตือนของกาลยานามิตรผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายก็เหมือนกับคนที่ชี้ขุมทรัพย์บอกให้เพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นอบอกกล่าวแนะนําผู้อื่นในเรื่องมักน้อยสันโดษ ด, ด้วยและท่านก็ยินดีที่จะรับฟังถ้อยคําเกี่ยวกับมักน้อยสันโดษ ด, ด้วย ท่านเป็นผู้สงัดสังกัดก็วิเวกนะผู้ที่ยินดีในการยวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยการเห็นด้วยการพูดคุยเป็นต้นเป็นผู้ที่ได้รับการแนะนําแล้วด้วยสังวรวินัยและปหานวินัยแนะนํามาจากวินัยก็คือได้รับการแนะนําจากสังวรวินัยปหานวินัยนะสังวรวินัยก็ศีลสังวรเป็นต้นปหานวินัยก็คือตาทางข้ประหารเป็นต้นเป็นผู้ตําหนิบาป ตําน็บา ป, ประกรรมความชั่วทางกายตําน็บาปประกรรมความชั่วทางวาจาและทางใจเนี่ยเป็นผู้ที่เกลียบบาปรังเกียบบาปเนี่ยนั ก, ก็คืออารตีวีรตีป่าปาดํารงอยู่ในคุณสมบัติเป็นผู้งดเว้นจากบาปประกรรมทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นแม้ทุกรูปถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมเนี่ยหมายความว่าเป็นผู้พรั่งพร้อมกายวาจาใจของท่านอ่าเป็นไปกับศีลมีศีลอยู่เสมอเรียกมีศีลเป็น ปกติเพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยศีลเพราะอะไรเพราะผ่า น, านการอ บ, บรมเนี่ยนะศีลเนี่ยมาเป็นตัวอบใจของท่านอบกายอบวาจาของท่านเนี่ยมาเป็นอย่างดีพันกายวาจาของท่านจึงสมบูรณ์ด้วยศีลฉลาดในสมาธิทั้งสมาธิอะไรบ้างสมาธิสมาธิมีวิตกวิจารสมาธิ ไม่มีวิตกมีแต่วิจารสมาธิไม่มีวิตกไม่มีวิจารเนี่ยนะสมาธิที่ประกอบกับปีติสมาธิที่ประกอบกับสุขสมาธิที่ประกอบกับอุเบกขาเป็นต้นแล้วก็ฉลาดในฌานทั้งลักคนูปนิจฌานและอารัมมานูปนิจฌานฉลาดในการเพ่งทั้งละโดยลักษณะและโดยอารมณ์ทุกท่านเป็นถึงผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาทั้งสุตตามายปัญญาจินตามายะปัญญาภาวนามยปัญญา ฉลาดในโลกิยะปัญญาและโลกุตระปัญญาเป็นผู้มีวิมุติคือสามัญญผลทั้งหลายโสดาปฏิผลสกัทธาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลทั้งหลายแล้วก็ยังมีวิมุติคือนิโรสมาบัติเป็นต้นผู้ประกอบในข้อปฏิบัติประจําตัวคือจารณะ15เป็นข้อปฏิบัติอย่างลงสู่อมตะโดยส่วนเดียวเรียกว่าจารณะซึ่งบุคคลผู้ยังบุคลคลผู้ปฏิบัติเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมเหล่านี้ สู่พระนิพพานเรียกวพาจารณะ5มีอะไร บ, บ้างศีลอินทรสังวรโภชเนมตตัญยุตาชาคริยานุโยกใรก่คุณธรรมสี่ประการเบื้องต้นแล้วก็สัทธรรมอีก7ประการสัทธรรมเจประการมีอะไรสัทธาหิริโอต ป, ปะสุตะจากขะวิริยะเออขอไปสุตะวิริยะสติปัญญาปทมชาญทุติยชาตาติยชาญและจตุทชาญเนี่ยนะั้น โดยเฉพาะปัญญาตัวนั้นหมายถึงวิปัสนาปัญญาที่รู้ความเกิดความดับโดยอาการ50เป็นต้นโดยมีฌานเป็นบาทเนี่ยนะแล้วก็คำว่าจารณาสิไล่มาย่อๆก็คือศีลสมาธิปัญญาขยายอีกแนวหนึ่งก็คือมรรคนั่นแหละว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเป็นไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ทุกประการแสดงว่าเป็นธรรมทายารับมรดกของพระพุทธเจ้ามาสมสมบูรณ์และเต็มที่แล้ว ท่านเหล่านั้นเป็นขีนาสะวะผู้สิ้นกา ม, มาสะวะด้วยอะไรอาาคามีมักสิ้นทิฏฐานสะวะด้วยโสดาปฏิมัคสิ้นภาวาสะวะและอวิชชาสะวะด้วยอรหัตตมักถึงความชํานาญมีวัสีทั้งห้าวสีทั้งห้ามีอะไรบ้างอาวชนะวสีชํานาญในการนึกชํานาญในการเข้าชํานาญในการดํารงอยู่ชํานาญในการออกและชํานาญในการพิจารณาเนี่ยนะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมถะและวิปัสสนาทั้งหลาย เป็นผู้มีฤทธิ์นะโดยเฉพาะอิทธิปาฏิหารเป็นต้นมียศแปล ว, ว่าท่านมีบริวารมากมีอินทรีย์สงบแล้วเนี่ยนะเพราะอินทรีย์ทุกอย่างของท่านผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีนะถือว่าเป็นผู้ฝึกแล้วธรรมะเนี่ยแปล ว, ว่าฝึกฝึกด้วยอะไรฝึกด้วยสมถะและ ว, วิปัสสนาเสร็จสิ้นแล้วเป็นผู้หมดจดหมดจดเนี่ยนะหมดจดอธิบายว่าเหมือนดอกบัวดอกบัวเกิดขึ้นในโลกเจริญ หรือว่าดอกบัวที่มันเกิดในบอ่อน้ําครามเนี่ยดอกบัวงอกขึ้นได้ไหมแม้กระทั่งในสถานที่ที่เป็นบอ่อน้ําครามถ้าเมล็ดพันธุ์บัว ง, งอกขึ้นตรงนั้นถ้าเกิดมาเป็นดอกบัวดอกบัวนี้ถึงจะเกิดในบอ่อน้ําครามก็ก็พะนะ้น่ะไม่มีสีแห่งน้ําครามไม่มีกลิ่นแห่งน้ําครามฉันใดพระเรียกเจ้าทั้งหลายถึงจะเกิดในชาติตระกูลใดวันณะใดก็เป็นผู้หมดจดฉันนั้นหอมหวนด้วยกลิ่นของ ศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติยานทัทสนะเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ในกถาวัตถุ10ประการนั่นเองขอ้ขอความที่กล่าวเนี่ยเช่นมักน้อยสันโดษบอกกล่าวอดทนต่อถ้อยคําสงัดไม่คลุกคลีถูกแนะนําตีเตียนบาปถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็คือกถาวัตถุสิบนั่นเองว่าท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกถาวัตถุสิบคล้ายๆกับพระปุณณนะมันตานีบุตรผู้ดำรงอยู่ด้วยกถาวัตถุสิบด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ สอนให้ผู้อื่นดำรงอยู่ในกถาวัตถุสิบด้วยผลของการปฏิบัติตามนั้นก็เป็นพระอรหันต์มั่นคาถาสามบรรทัดสุดท้ายจึงกล่าวถึงคุ ณ, ณสมบัติของผู้เป็นพระอรหันต์นั่นเองด้วยประการดังกล่าวมาชะนี้กล่าวกล่าวถึงอะไรกล่าวถึงพระพุทธเจ้ากับพระสาวกเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยพระองค์เองปราศจากราคะ อ, อันเหล่าภิกษุผู้ปราศจากราคะเวทล้อมเรียกว่า ผ้าอรหันต์อ่ะล้อมด้วยผ้าอรหันต์อีกทีหนึ่งพระองค์ปราศจากโทสะอันเหล่าภิกษุผู้ปราศจากโทสะแวดล้อมทรงปราศจากโมหะอันเหล่าภิกษุผู้ปราศจากโมหะแวดล้อมช่างงดงามรุ่งโรดอย่างเหลือเกินงดงามงดงามก็คือสวยมากรุ่งโรดแปลว่ารุ่งโรดในทางร่างกายและปัญญาเนี่ยนะรุ่งโรดทางร่างกายและปัญญาหาที่เปรียบได้ยากกันนะ ใครที่ได้เห็นอย่างที่ว่าเนี่ยทศนันุตริยะแน่นอนผู้ใดได้เห็นก็ช่างเป็นบุญตาของผู้นั้นเนี่ยนะที่กล่าวว่าพระองค์ปราศจากราคะเนี่ยปราด้วยอะไรสิ้นราคะด้วยราคะบางอย่างสิ้นด้วยโสดาปฏิมักบางอย่างสิ้นด้วยสกท า, ามีมักบางอย่างสิ้นด้วยอนาคามีมักบางอย่างสิ้นด้วยอรหัตตมาราคะที่ผสมกับมิจฉาทิฐิทุกชนิดสิ้นด้วย โซดาปฏิมากราคะที่ผสมด้วยความเพลิดเพลินในรูปทั้งหลายสิ้นด้วยอนาคามีมักราคะที่ติดใจในในรูปประชาในรูปประชาทั้งหลายสิ้นด้วยอรหัตตมัคนะนะโทสะสิ้นด้วยอนาคามีมักรโมหะบริบูรณ์สมบูรณ์ก็สิ้นด้วยอรหัตตมัคนั่นเองแล้วก็มีพระผู้สิ้นราคะโทสะโมหะอย่าลืมว่าคุณธรรมเป็นเครื่องกําจัด ขจัดราคาโทสะออกโมหะออกไปเนี่ยสิ้นด้วยอริยมรรคทั้งหลายอริยมรรคก็คือเป็นชื่อของคุณธรรมมีศีลสมาธิปัญญานั่นเองครั้งนั้นพระศาสดานะนะส า, าเทวมนุษยานังเนี่ยนะศาสดาพระศาสดาคือผู้สั่งสอนประโยชน์ทั้งหลายอันเหล่าภิกษุผู้มีอนุภาพมากอนุภาพของท่านเหล่านั้นมีศีลเป็นต้นเนี่ยนะ ผู้สิ้นอาสวะผู้ได้อภินยาหกจำนวนสี่แสนรูปเวทล้อมแล้วเสด็จพุทธลำเนินสู่ทางที่เขาประดับประดาตกแต่งด้วยพระพุทธลีลาหาที่เปรียบไม่ได้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เป็นบุคคลที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกชาวโลกจะเจริญด้วยด้วยเพราะการเห็นพระองค์ก็จะแต่งโรปให้ให้หน่าดู ชาวโลกจะยินดีด้วยเสียงพระองค์ก็ตกแต่งเสียงให้เป็นที่น่ายินดีเมื่อเขายินดีพระพุทธเจ้าด้วยพระรูปหรือด้วยเสียงหรือด้วยความเศร้ามองแห่งเครื่องนุ่งหม่มพระองค์ก็จะชักนําเขาเหล่านั้นไปหาพระธรรมนี่ยนะชักนําเขาไปหาการกําหนดรู้ทุกละสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคเขาเหล่านั้นก็จะพ้นไปจากวัตฏทุกข์มันการแสดงทุกอย่างของพระพุทธเจ้ารู ป, ปกายทุกอย่าง ที่พระองค์ประดแสดงออกมาประจักษ์แก่สายตาแห่งชาวโลกสิ่งเหล่านั้นก็จะได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพราะอย่างว่าชนเหล่าใดมองพระพุทธเจ้าด้วยสายตาที่เลื่อมใสดวงตาก็ปราศจากฟ้าคำว่าฟ้าแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เป็นอะไรนะไอตาต่อไม่เป็นต้อต้อหินต่อกระจกต้อตอต่อสารพัดต่อตเนี่ยนะกลายเป็นตอไปเลยเนี่ยนะ ไม่ใช่เพรา ะ, ะใครที่มองสายอมองพระพุทธเจ้าด้วยสายตาที่ชื่นชมด้วยสายตาอันเป็นที่รักเคยเห็นไหมนกฮูกตากลมเนี่ยนะบินทลาลมมองพระพุทธเจ้าพระองค์งพยากรณ์ว่าต่อไปนี่จะได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตอีกกี่กับเองอีกแสนกับจะได้เป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าพรันมองด้วยสายตาอันเป็นที่รักเนี่ยนะไม่ใช่มองด้วยสายตาที่อย่างที่ว่าทเหลืงตามองก็เตรียมผ่าตัดไปด้วยนะเอาเข้าคืนไงเหมือนตาปูนี่ยุ่งเลย อ่ะทวนอีกครั้งว่าพระพุทธลีลาทั้งหมดที่พระองค์แสดงออกมาเนี่ยหาที่เปรียบไม่ได้ไม่รู้จะอุปมาได้อย่างไรผู้ที่แสดงได้เหมือนก็คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกําลังอันนะร่างกายทั้งหมดของพระองค์ที่ได้รับการตกแต่งด้วยบุญมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะด้วยกุศลที่ทรงสั่งสมมาตลอดสมัยที่นับไม่ได้บันดาลให้เกิดแล้วเนี่ยนะคือสรีระทุกส่วนเนี่ยนะตั้งแต่เส้นผมแม้แต่เส้นเดียวเนี่ยนะ เรียกว่าทําด้วยความประณีตบรรจงมากกุศลนะมาตกแต่งให้ประณีตและบรรจงมากหาที่ดูไม่ได้อีกแล้วเพราะร่างกายเนี่ยนะใช้เวลาหล่อหลอมเท่าไหร่ทั้งร่างกายและจิตใจผ่านการหล่อหลอมมาอย่างพระพุทธเจ้าพี่ปังกรเนี่ยถ้าเข้าถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ16อสงไขยแสนกัปอืมขอไปเป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะแต่ไม่ใช่ปัญญาธิกะแน่นอน เพราะว่าพุทธเจ้า ม, ามีสามประเภทในการสั่งสมบารมีคือศรัทธาปัญญาทิกะศรัทธาธิกะและวิริยาธิกะนั่นเองเพรผลกุศลที่สั่งสมมาเนี่ยนะบันดาลเรียกว่าบุญบันดาลให้งดงามประหนึ่งเท้าสหัสสนยเท้าสกะเนี่ยนะท้าสกะท่านยกตัวอย่างว่าผู้มีดวงพระเนตรพันดวงคือตาไม่ใช่ว่าถูถ้าตาพันตาเลยเนี่ยน่าจะน่าเกลียดขนาดไหนไม่ใช่อย่างนั้นคำว่า เท้สาสหัสไนแปลว่าผู้มองอะไรแว็บเดียวเนี่ยเหมือนคนตั้งพันคนคิดอ่ะคิดแป๊บเดียวเนี่ยเหมือนคนพันคนเขาใช่ควาคิดคนเดียวนะเหมือนคนพันคนคิดท่านก็เลยเรียกว่าเท้าสหัสไนเหมือนมีตาพันตาว่างั้นมองแบบแป๊บเดียวเนี่ยความฉลาดของท่านเหมือนกับเท้าสักกะมีเทวดาเวดล้อมเหมือนเท้าหาริตะมหาพรหมเนี่ยนะมหาพรหมที่หมู่พรหมทั้งหลายเวทล้อมเหมือนดวงจันทร์ในฤดูศาสตร์ที่หมู่ดาวเวดล้อม นายยกสามตัวอย่างใช่หมเหมือนนายเหมือนพระอินเหมือนพระพรหมและเหมือนดวงจันทร์ที่มีบริวารเวทล้อมฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีพระสงฆ์สาวกแวดล้อมฉันนั้นเขาว่าในสัมโนนี้ไม่เพราะเลยได้ยินว่านะกีระยังพอสำ้ำแคว่งชั่วหน่ อ, อได้ยินว่าด้วยพระรส ม, มีสีเหมือนทองเหมือนทองคำเพราะผิวยังไงมันก็เป็นทองไปไม่ได้แต่ว่าเหมือนละไม้คล้ายเครืองอ่ะเป็นไปได้สีเหมือนทอง พระจอมปราดผู้มีผิวพรรณเหมือนกับทองทรงทาต้นไม้ในหนทางให้เป็นสีทองคือบางครั้งเนี่ยเพื่อจะยังจิตของเหล่าเทวดาและมนุษย์ให้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าจะแผ่พระฉับพันนรังสีออกไปก่อนคือบางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเวลาบินธบาตเนี่ยไม่ใช่จะแสดงแบบทุกอย่างทุกประเภทบางครั้งเหมือนพระภิกษุรูปหนึ่งจะไม่มีใครจาได้เลยว่านี่พระพุทธเจ้า เรียกว่าปกปิดพระพุทธรังสีทั้งหมดด้วยจีวรเสร็จแล้วพระองค์ก็เดินเหมือนพระภิกสุรูปหนึ่งเท่านั้นเองอย่างเช่นสมัยที่ไปโปรดปกุศลสติเนี่ยนะไปโปรดปกุศลสติเหมือนพระพิสุรูปหนึ่งหรือตอนที่พระองค์ไปโปรดพระองค์คุลิมานตอนที่พระองค์กาลังเดินเข้าไปสู่ดงเนี่ยนะชาวบ้านนึกว่าพระภิสุรูปหนึ่งเท่านั้นเองไม่รู้หรอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเครียกว่าคล้ายปกปิดซ่อนเร้นพระองค์บางครั้งจะเป็นแบบนั้นเหมือนพระพิสุรูปหนึ่งที่ถือการเที่ยวบินทบาติเป็นวัดมองไม่ออก บางทีเนี่ยพระองค์ก็จะแสดงแบบมีพระรสมีแบบเป็นธรรมดาแล้วก็พระภิกษุทั้งหลายแวดล้อมอยู่บางทีก็ด้วยพระพุทธลีลาทุกอย่างนะที่ที่ควรจะมีเพื่ออะไรเพื่ออย่างว่าปาฏิหารทุกอย่างที่พระองค์ทำเพื่ออะไรเพราะว่าปาฏิหารแปลว่ากำจัด ความไม่เลื่อมใสเป็นต้นเนี่ยนะทำลายทิฏฐิมานะความไม่เลื่อมใสของหมูสัตว์ให้สัตว์ทั้งหลายจเจริญด้วยศรัทธาวิริย ะ, จะเจริญด้วยความเลื่อมใสจเจริญด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะรองรับพระธรรมเทศนาเนี่ยนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ชื่นชมรูปพระองค์ก็จะแสดงพระรูปทั้งหลายให้เขาดูเขาจะได้เลื่อมใสและจะได้ช่วยเขาได้เนี่ยนะมันต้นไม้สีข้างทางก็เหมือนกับสีทองหมดธรรมดอกไม้ที่มีสีทำดอกไม้ให้มีสีเหมือนทอง สเสด็จพระพุทธดำเนินมาสู่หนทางเนี่ยนะก็ถ้าเห็นปั๊บของเรามองเห็นปั๊บก็อิติปิโสเลยนะถ้าถ้าสั่งสมอิติปิโสมาอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ ท, ที่จริงเนะี่ยถ้าใครฝึกสรรเสริญพระพุทธพระพุทธคุณพุทธานุสติเอาไว้แม่นแม่นเนี่ยนะพอมองเห็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี่อิติปิโสไว้ในใจเลยนะแต่ถ้าว่าเป็นภาษาเราที่เราคุ้นเคยถนัดจะดีที่สุด หรือมองเห็นพระพุทธรูปก็อิติปิโสพระควาอรหังสัมมาก็คือเห็นพระรูปประกายแล้วให้ระลึกถึงพระธรรมกายคืออรหันตคุณเป็นต้นที่มีอยู่ในพระองค์เนี่ยนะว่าในพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายเสด็จมาฝ่ายสุเมตดาบท จ้องตาตรวจดูพระอัตภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระถีปังกรผู้เสด็จมาตามทางที่เขาประดับตกแต่งแล้วนั้นประดับด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการเขาเป็นหมอดูผู้ยิ่งใหญ่หมอดูผู้เรียกว่าตรวจเห็นปับ๊บรู้เลยว่าคนนี้ยาจกตลอดชาติ คนนี้สามารถมีตาแหน่งได้ขนาดนี้ขนาดนี้คือคือสรีระทางร่างกายเนี่ยมันบอกได้เลยนะมันมีหลายหลายอย่างในตัวเนี่ยบอกว่าควรจะขึ้นได้ขนาดไหนในทางร่างกายเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเสมอไปอันนี้พูดรวมๆเลยว่าก็เรามีตาราหมอดูเนี่ยนะ ตำราหมอดูบอกเลยถ้าลักษณะมือแบบนี้ลักษณะเท้าแบบนี้ฝ่ามือแบบนี้ฝ่าเท้าแบบนี้รูปร่างเส้นผมเป็นแบบนี้หน้าผากแบบนี้คิ้วแบบนี้จมูกแบบนี้ปากแบบนี้โหนกแก้มเป็นแบบนี้คางเป็นแบบนี้บอกได้เลยว่าเป็นใครแต่เขามาไม่รู้สักอย่างเขามาว่าเป็นคนอย่างเดียวขนานีรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายจาได้แ <OVER> ค่นี้แต่ว่าลักษณะนี้แล้วพยากรหมอดูบอกไม่เป็นเอาไ้เล่าสนุกๆไปงั้นแหละ นะพระองค์นี้ประดับไปด้วยมหาปรุสลักษณะ32ประการฉาบด้วยอนุพยัญชนะอีก80ประการคิดว่ารูปรางรูปร่างก็งดงามอยู่แล้วแล้วก็มีเคิดว่ามีรายละเอียดย่อยๆปลีกย่อยในร่างกายอีก80อย่างล้อมด้วยพระราสมีหนึ่งวามีสิริเหมือนแก้วมณีสีดอกอินทนิลแก้วมณีเขียวเนี่ยนะกำลังเปล่งพุทธรศมีมีรังสีสีหประการประดุษ สายฟ้าแลบมีประการต่างๆในอากาศเรียกเหมือนเหมือนชอบสายฟ้านะคือคนที่ไม่เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นจะไม่รู้จะเล่าบอกไปยังไงบอกเอาเหมือนสายฟ้าคุณเคยเห็นฟ้าแลบไหมถ้ามันฟ้าแลบออกมาเยอะๆประดับประดางดงามจะงามขนาดไหนสมัยนี้ค่อยยังชั่วเหมือนจุดพลุสีใช่ไหมที่แผ่ออกมาเหมือนพลุสีเหมือนอะไรที่ออกมาสร้างจากพวรากายเนี่ยนะถือว่างดงามมากมีพระรูปโฉมงดงาม ฤษีก็เลยคิดว่าวันนี้แหละเราจะต้องสละชีวิตเพื่อทศพลก็ควรถ้าเราจําต้องสละชีวิตเป็นพุทธบูชาก็ยอมคือมองเห็นปป๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าแท้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเขาอาศัยตํารา ม, มหาปุริสลักษณะที่ชํานาญเป็นอย่างดีโดูแวบเดียวก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าแน่นอนเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเคขาในบรรดาโลกียะมหาชนเขาคือคนพิเศษที่สุด เขาเนี่ยมันเปรียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้นะก็ต้องยอมรับเลยว่า ง, งั้นก็เลยบอกถึงจะสละชีวิตเป็นพุทธ บ, บูชาก็ยอมตกลงใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าเหยียบที่เปลือกตมเลยมันก็ว่าภาระนี่มันตกอยู่แก่ตัวเองไม่ไปรับปากรับคําแล้วว่าจะทําตรงนี้ให้มันเสร็จเสร็จแล้วพระพุทธเจ้ามาทาําไงดีก็หลอกสละชีวิตเถอะก็เลยบอกคิดในใจเลยว่าขอทรงเหยียบหลังเราเสด็จไปพร้อมกับพระขีนาศบสี่แ 0,000 นรูป แบนแน่ น, น้หรือไม่ก็จมไปนานแล้วนะแต่ว่าสละชีวิตแล้วนะจริงพระ อ, องค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกก็เลยคิดในใจว่าขอพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายทรงเหยียบเราเป็นสะพานที่มีแผ่นกระดานเหมือนแก้วผลึกเถิดข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เราตลอดกาลนาน คือคือตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าการสละชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายสิ่งนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งสิ่งที่เกื้อกูลเสมอด้วยอริยมรรคไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอด้วยสุขในสามัญญผลทั้งหลายไม่มีเพราะฉะนั้นขอการเสด็จเหยียบของพระพุทธเจ้าและพระพิสุสงฆ์เท่ากับพระรัตนตรัยเหยียบตัวเป็นเรียกว่าทอดสะพานให้พระรัตนตรัยเนี่ย ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแปลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพานตลอดกาลนานเทินก็เลยเปลื้องผมปูลาดท่อนหนังชดาท่อนหนังแล้วก็ชดาออกมาผ้าเปลือกไม้ลงที่เปลือกตมที่มีสีดำบอก้วยนะว่าตมสีดำเลยนะแล้วก็ทอดตัวนอนบนหลังเปลือกตมที่ปูนั่นแหละอย่างที่พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่า มนุษย์เหล่านั้นถูกเราสุเมศบัณฑิตถามแล้วก็ตอบว่ามนุษย์เขาตอบว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรผู้ยอดเยี่ยมอนุตโรเนี่ยนะอนุตโรแปลว่าอะไรผู้ยอดเยี่ยมในด้านทั้งรู ป, ปกายและธรรมกายเนี่ยนะในรูปรูปในรูปร่างสรีระและคุณธรรมทั้งหลายอันนะไม่ว่าจะเป็นศีลก็ยอดเยี่ยมกว่าศีลของสรรพสัตว์ทุกชนิดสมาธิปัญญาเป็นต้นยอดเยี่ยมพระองค์ผู้ชนะมารห้าผู้นําโลกออกจากวัตฏทุกข์ บัดนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอุบัติขึ้นแล้วในโลกเกิดขึ้นแล้วในโลกเจริญเติบโตแล้วในโลกตรัสรู้โลกแต่ไม่แปดเปื้อนไปด้วยโลกเนี่ยนะพวกเราทั้งหลายเพล้าพวกเราเพ่้าถางหนทางที่ชื่อว่ามัจอัญชสะวัตุมะอาญะเนี่ยนะคําว่ามัจเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าหนทางแปลว่าได้หลายชื่อมาก น, นะแปลว่ามัจก็ได้อัญชาาะสก็ได้วัตตุมะอาญะก็ได้แล้วก็มีอีกหลายชื่อเช่นในหน้า175เนี่ยก็มีอีกหลายชื่อ แต่ น, นี้หมายถึงสร้างถนนเหมือนกันสร้างถนนเส้นนี้ก็เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเพราะได้ยินคําว่าพุโทโธเนี่ยนะพุโทโธเนี่ยสำหรับบางท่านเนี่ยถือว่าเป็นคําที่ประเสริฐที่สุดคำที่สูงสุดมันฟ้าผ่าก็พุโทโธไว้ก่อนเหมือนกันคือเป็นคําที่มีความสุขดีใจที่จะได้ใช้คํานี้เป็นคําที่เพราะที่สุดเนี่ยนะในบรรดาคําทั้งหลายบอกโลกนี้คําไหนเพราะที่สุดบอกว่าคําว่าพุโทโธเหมือนกันก็เลยพอฟังปั๊บเกิดปีติขึ้นมาทันทีเลยนะ เราเมื่อกล่าวว่าพุทโธพุทโธก็ทราบซึ้งโสมนะัสปีตินะสาหรับคือท่านเนี่ยสุมเมธบันเดตเนี่ยท่านผ่านการสั่งสมบุญมามากมายท่านสั่งสมบุญเจริญพุทธานุสติเป็นต้นมามากันหรือกล่าวคาว่าพุทธังสรารนังคัจฉามิซ้าย้ำ อ, อยู่ในใจมาหลายภพหลายชาติมันคำว่าพุทโธนี่จึงจึงเป็นคำที่ท่าน บอกว่ามันไม่มีคาไหนมันดีกว่านี้อีกแล้วไม่มีคาใดที่เพราะกว่านี้อีกแล้วในบรรดาที่พูดถึงหมู่คนทั้งหลายก็เลยปีติทราบซึ้งมากเนี่ยนะของเราก็บอกอ่าฟังมาจนเบื่อแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไงนะยังไม่ขนาดนั้นมั้งเนาะย่างอ่ะนะเรายินดีปีติใจแล้วเนี่ยนะทั้งยินดีด้วยทั้งปีติเกิดขึ้นด้วย ยืนคิดในที่นั้นว่าจำเราจักปลูกพืชทั้งหลายพืชในที่นี้หมายถึงบุญกุศล น, น, นะนะเพราะบุญกุศลเนี่ยเปรียบเหมือนกับพืชเหมือนกับต้นไม้เพราะผลิดดอกออกผลได้ฉันใดกุศลก็ฉันนั้นเราจะต้องปลูกพืชคือบุญกุศลลงในพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรขณะนี้ขอขณะอย่าได้ล่วงเลยเราไปเปล่าเลยในขณะแบบนี้หาได้ยากเนียนะสำหรับนักลงทุนก็เรียกว่าขณะเนี่ย เงินทองกําลังไหลา ม, ามาเทมาเนี่ยนะอริยศัพย์กําลังเจริญขึ้นก็ขณะเนี้ยเหมาะที่สุดเราก็เลยกล่าวว่าบอกชาวบ้านเหล่านั้นว่าถ้าว่าพวกท่านแพ้าถางหนทางเพื่อพระพุทธเจ้าไซาขอพวกท่านจงให้โอกาสแห่งหนึ่งแก่เราด้วยถึงตัวเราก็จะแพ้วถางหนทางเหล่านั้นเพื่อพระพุทธเจ้าบัางมนุษย์เหล่านั้นก็ได้ให้โอกาสแก่เราเพื่อแพ้วถางหนทางในครั้งนั้นเราก็คิดว่าพุทโธ แสดงว่าขุดดินทีหนึ่งก็พุโทโธพุธโทโธก้าวขยับตัวทุกขยับก็พุโทโธพุธโทโธหมดนะใจคิดถึงแต่พุโทโธกับ ง, งานที่กำลังทำอยู่งั้นใครทําอะไรก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธบมางนะแือว่าบางท่านก็เลยบอกว่าโดยที่สุดแม้แต่หายใจยังพุโทโธเลยงคนะ หายใจว่าไงบอกว่าพุโทโธพุโทโธไงแต่ถ้าใครที่ ท, ทราบซึ่งในพระคุณมามันไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะไม่ใช่สักแต่ว่าร้องเรียกชื่อพร่ำไปเรื่อยแต่ทราบซึ่งว่าพระคำเนี่ยไปเร้อที่สุดคํานี้ดีที่สุดเป็นคําที่น่ายกย่องหน้ากราบหน้าไหว้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่ตั้งแห่งการพึ่งพิงอาศัยได้เป็นคําที่ช่วยปิดอบายทุกขติวินิบาตนารกได้เป็นถ้อยคําของผู้ที่กล่าวประกาศอริยมรรคที่นําออกจาก ทุกได้ก็เลื่อมายในคํานี้มากอะไรพุทโธพุทโธไปพลางแถวฐานหนทา ง, ทางไปพลางในครั้งนั้นถ้าคําเหล่านี้ไม่ดีจริงอ่ะพระพุทธเจ้าไม่เอามาสรรเสริญหรอกเชื่อเมื่อโอกาสของเราคือสถานที่เรารับผิดชอบงานไม่ทันเสร็จพระชินะมหามุนีทีปังกรโอ้ก็ชื่อในโลกเนี่ยไม่มีใครชื่อยาวเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วนะชื่ออรหันต์ด้วยสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณนะสัมปันโนถ้าเป็นอะไรนะั้นในคมภีร์ คำพีสับเขาเรียกว่า อ, อภิธานพุทโทธทัศพโลสัทธาสัพพัญยุวรุตตโมอะไรยัมีชื่อเยอะๆไปหมดชื่อยาวที่สุดกับเพื่อนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจำชื่อพระพุทธเจ้าได้นี่จะฉลาดไม่ใช่น้อยบอกว่าโอ๊ยจำชื่อคนนั้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้จําชื่อพระพุทธเจ้าได้นี่วิเศษสุดเพราะชื่อคนนั้นจําแล้วไม่รู้จะไปไหนก็ไม่ทราบนั่นก็ชื่อพระพุทธเจ้านี่แหละอย่างน้อยก็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่ผ่านสมบัติใช่จะหาได้ยากนะพระชินะมหามุนี แล้วก็ทีปังกอนชนะนี่ผู้ชนะมารห้ามหามุนีก็คือเหนือกว่าเสอะอาคารามุนีอนาคารามุนีวิเศษกว่าเสขามุนีอาเสขามุนีวิเศษกว่าสาวกามุนีแล้วก็ปัจเจกามุนีเรียกว่ามหามุนีเลิศกว่ามุนีทุกประเภท น, นะพระองค์นั้นพร้อมด้วยภิกษุสี่แ 0,000 รูปซึ่งมีภิกษุสี่ 0,000 นรูปเมียพิญญาหกทุกอง์หะได้หมดเลยผู้คงที่ อันคงที่ในอิทธารมณ์และอ น, นิถารมณ์แปลว่ามั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมคุณสมบัติของผ้าอรหันเนี่ยดูจากอะไรก็ดูจากมงคลสี่ข้อสุดท้ายใช่พุทธะโลกธรรมเมหิตจิตตังยะสานกรรมปฏิอโศกังวีรชังเขมังอะนะอันนั้นจิตของผู้ใดที่โลกธรรมแปดกระทบหรือถูกต้องไม่หวั่นไหวเด่นนะอโศกังไม่มีความเศร้าโศกวิรชังปลอดหรือปราศจากทุลีสิ้นเชิงเขมัง เกษมและปลอดภัยเนี่ย น, ะนี่ใจของพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งแปดไม่มีความวโศกแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีทุลีกเกษมปลอดภัยนี่ยกตัวอย่างว่าคงที่ดังนั้นผู้สิ้นอาสะวะสี่แล้วเพราะอาสะวะนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้หวั่นไหวพระองค์เนี่ยไม่หวั่นไวาหวพระอรหันต์ทั้งหลายไม่หวั่นไหวเพราะสิ้นอาสะวะโดยเฉพาะตันหาตันหานี่แหละเป็นตัวที่ยังใจให้หวั่นไหว ใจของผู้ใดไม่หวั่นไหวใจของผู้นั้นสิ้นตัณหานี น, นะอย่างสมมุติว่าอะไรที่จะทําให้เราหวั่นไหวก็แปลว่าสิ่งนั้นอนะเราก็แสดงว่าเราชอบเหมือนกันนะเราจึงหวั่นไหวใช่ไหมถ้าเราไม่ค่อยหวั่นไหวเลยนะเช่นคนตายเป็นเท่าไหร่หรืออะไรที่ไม่อะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยนะเราก็ไม่เห็นหวั่นไหวอะไรเลยอย่างคนเป็นกับคนตายไหนมากกว่ากันในโลกนี้นะที่ผ่านมาประวัติศาสตร์เป็นล้านปีเนี่ยนะคนตายไปแล้วมีมากกว่าเอ๊ะทาไมเรามานั่งสบายๆอยู่ได้อะ ก็เพราะเราทำไมไม่ไปไปหวั่นไห ว, ไ, วไปเดือดร้อนอะไรล่ะก็เพราะว่าสิ่งนั้นเราไม่ได้ไม่ได้ชอบไม่ได้เพลิดเพลินไม่ได้เป็นที่ยังใจของเราให้ยินดีเท่าไหร่นี่นะมันเราก็เลยเฉยเฉยถ้าหากว่าเราไม่มีตันหาโดยประการทั้งปวงเราก็จะมั่นคงเช่นนั้นตลอดไปเนี่ยนะมันพาหานทั้งหลายจึงเป็นผู้คงที่แล้วก็สิ้นอาสวะผู้ไร้มนทินมนทินนี่แปล ว, ว่าความเศร้าหมองเนี่ยนะมนทินคือความเศร้าหมอง มนทินคือราคะโทสะและโมหะผ้าหันเหล่านั้นไร้มนทินคือราคะโทสะโมหะ